สุขเพราะได้เกาที่คันกับสุขเพราะไม่มีที่คันจะต้องเกาเพื่อก้าวไปในความเข้าใจเรื่องความสุขขอนาความจากพุทธพจน์ในมาคันทิยาสูตรมาอ่านกันอีกเป็นเครื่องทบทวนแนวการมองความสุขพุทธพจน์นี้ตรัสเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตคนในการมีความสุข ตั้งแต่ความสุขของเด็กทารกไปจนถึงสุขสูงสุดในขั้นของนิพพานเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเป็นทํานองอุปมาในเรื่องการหาการเสพความสุขของคนให้เห็นว่าแม้แต่ในชีวิตตามปกติของคนก็ยังมีการพัฒนาในทางความสุขอยู่แล้วในที่นี้จะนำแต่สาระมาบรรยายดังนี้ทรงยกตัวอย่างว่าเด็กอ่อนตั้งแต่นอนแบเบา เกิดใหม่อยู่ในวัยเริ่มแรกที่ยังไม่ลุกเดินเล่นสนุกแม้แต่กับมูดโคดหัวเราะ ร, ะรื่นเมื่อได้ละเลงอุจจาระปัสสาวะของตนเองต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นมาหน่อยสามขวบห้าขวบตอนนี้เล่นมูดโคดไม่สนุกแล้วก้าวไปเล่นดินเล่นทรายแล้วก็สนุกกับการเล่นของเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายตุ๊ ก, กตาบ้าง รถยนต์คันน้อยๆรถไฟกระโบ น, น้อ ย, อยเครื่องบินลํำน้อ ย, อยก็สนุกกับของเล่นมีความสุขในการได้เล่นสิ่งเหล่านี้เด็กเล็กนั้นมีความสุขอย่างยิ่งกับของเล่นรักใคร่ทะนุถนอมของเล่นนั้นยึดถือเอาเป็นจริงจังเช่นอย่างหนูหน้อยบางคนมีหมอนที่เขารักสุดชีวิตเก่าจะดำปี๋อยู่แล้ว ก็ยังรักใคร่ห่วงแหนักหนาถ้าใครทำท่าจะมาแย่งเอาไปหนูน้อยนั้นจะร้องไห้ทุรนทุรายดังจะเป็นจะตายเลยทีเดียวต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้ของเล่นนั้นไม่เอาแล้วไม่สนุกด้วยแล้วใครจะเอามาให้ก็ไม่ชอบใจไม่เห็นจะสนุกมีความสุขอะไรเขาไม่มีความต้องการที่จะสนองให้มีความสุขอย่างนั้นอีกแล้ว แต่เมื่อโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาจะมีความสุขอีกประเภทหนึ่งคือความสุขในการได้เสพผัสสะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่มาอีกขั้นหนึ่งจากนั้นก็จะมีความสุขที่พัฒนาต่อไปอีกแต่ถ้าใครไม่พัฒนาขึ้นไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปนั้นถ้าเขามาสะดุดหยุดที่นี่ไม่ช้าก็จะถึงเวลาที่เขาจะต้องสิ้นหวัง หรือไม่สามารถเสพกามอามิ t h เหล่านั้นแล้วเขาก็จะต้องขับแค้นแสนทุกข์เพราะมันส่วนคนที่พัฒนาในขั้นสูงต่อขึ้นไปก็จะพบความสุขที่ประนีตลึกซึง้งซึ่งไม่ขึ้นต่อกามอามิตรถึงขั้นแห่งความสุขที่เป็นอิสระเป็นไยแก่ตนเป็นเสรีชนที่แท้อย่างที่ว่าเป็นความสุขซึ่งมีในตัวเป็นประจำตลอดเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสนองอีกต่อไปผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างอิสระที่ไม่ต้องขึ้นต่อการอามิตรแล้วนี้เมื่อหันมาเห็นหรือมองดูหมู่ชนที่ยังเสพหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกายกันอยู่ก็จะไม่มองเห็นการเสพกามอามิตรนั้นว่าเป็นความสุขตามไปด้วยแต่จะมีความรู้สึกต่อคนที่กำลังแสวงการมาสุขนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป เหมือนอย่างคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไปเห็นเด็กมีความสุขกับการได้เล่นของเล่นก็จะไม่เห็นเป็นความสุขไปด้วยแต่จะรู้สึกคล้ายดังว่าจะขำหรือสงสารด้วยเข้าใจถึงตรงนี้ท่านได้เทียบการพัฒนาความสุขในขั้นนี้โดยยกตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนนั้นก็มีอาการคันเมื่อคันเขาก็เกาเมื่อเกาแล้ว เขาก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งคันครั้นได้เกาแล้วก็มีความสุขเขาจึงมีความสุขจากการเกายิ่งกว่านั้นเพราะความไม่สบายของโรคนั้นทําให้เขาอยากเอาตัวไปย่างไฟอีกด้วยให้สมใจอยากจะได้มีความสุขเขาเอาตัวไปย่างไฟที่ร้อนเหลือเกินที่คนธรรมดาถือว่าทนไม่ไหว แล้วเขาก็มีความสุขเป็นอันว่าคนเป็นโรคเรือนนี้เพราะเขามีอาการคันก็ทำให้เขาได้ความสุขจากการเกาและจากการเอาตัวไปย่างไฟพระพุทธเจ้าตรัสถามพรามที่พระองค์ทรงสนทนาด้วยนั้นว่าถ้าหากว่าต่อมาคนเป็นโรคเรือนนี้ได้พบหมอดีมียาที่ได้ผลจะ ง, งัด หมอนั้นรักษาเขาจนหายจากโรคเรื้อนและเขาก็ไม่ขันอีกต่อไปแล้วทีนี้คนผู้หายจากโรคเรื้อนแล้วนั้นยังอยากจะหาความสุขจากการเกาที่ขันอีกไหมยังอยากจะเอาตัวไปย่างไฟอีกไหมพรามทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นแล้วมีแต่ตรงข้ามตอนนี้ถ้าใครจับตัวเขาจะพาไปหาไฟเขาจะดิ้นหนีสุดชีวิตเลย พระพุทธเจ้าก็ตรัสไห้เห็นว่าพัฒนาการของความสุขเป็นไปตํานองนี้คนที่พบความสุขที่เหนือกว่ากามอามิตแล้วก็จะไม่เห็นความสุขในการเสวยกามอามิตนั้นต่อไปเพราะเขามีความสุขที่ดีกว่านั้นแล้วถ้าพูดแบบง่ายๆก็บอกว่ามนุษย์ในระดับหนึ่งมีความสุขจากการเก่าที่คันแล้วมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ก็มีความสุขจากการไม่มีที่คันจะต้องเกาอันไหนจะเป็นความสุขแท้จริงหรือเหนือกว่ากันก็พิจารณาได้เองสาระที่ควรพูดถึงในตอนนี้ก็คือว่าเวลานี้พูดกันถึงคาว่าสุขภาวะหรือง่ายๆว่าสุขภาพขอถามว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคอะไร เวลาที่เขาอยู่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นี้ภาวะนี้ถือเป็นความสุขไหมคือภาวะที่ไม่มีโรคไม่มีอาพาธไม่มีอะไรระคายเสียดแทงไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีทุกข์โรคแปลว่าสิ่งที่เสียดแทงอาพาธแปลว่าบีบคั้นภาวะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความบกพร่องใดๆแม้แต่ที่จะต้องเก่า อวัยวะทุกอย่างทาหน้าที่ได้เต็มที่นี้ถือว่าเป็นสุขภาวะเป็นความสุขอยู่แล้วในตัวและที่แท้นั้นภาวะแห่งความสุขของร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไรโรคไม่มีความติดขัดระคายเคืองนี่แหละเป็นความสุขหลักอย่างสูงสุดที่เป็นจุดหมายแห่งชีวิตของทุกคนถึงใครจะอยากได้ความสุขอันใดก็ตาม ถึงเขาจะมีวัตถุเสพมากมายพรั่งพร้อมเพียงไรแต่ถ้าเขาขาดสุขภาวะของความสมบูรณ์ไร้โรคนี้สิอย่างเดียวการมามม่ ส, สุขทุกอย่างของเขาก็ลดค่าหมดความหมายลงไปตามลำดับจนกระทั่งว่าในที่สุดถ้าร่างกายของเขาถูกโรคร้ายบ่อนทำลายเสียหายเหมือนดังจะหมดสภาพการมามม่ ส, สุขทุกอย่างที่เขาว่าตนมีมากล้นเต็มที่ก็หมดความหมายไปอย่างสิ้นเชิง หนำซ้ำยังกลายเป็นการซ้ำเติมทุกข์ให้ยิงแสนชอกช้ำไปเสียอีกด้วยนี่แหละความสุขหลักที่แท้หรือตัวสุขภาวะจึงอยู่ที่นี่หันไปมองด้านจิตใจบ้างจิตใจที่เต็มอิ่มโปร่งโล่งเบิกบานผ่องใสไม่มีอะไรระคายเคืองกระทบกระทั่งเสียดแทงเลยเป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์ในตัว ก็เป็นสุขภาวะหรือเป็นความสุขอย่างหนึง่งทํานองเดียวกับร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไรโรคนั้นแต่ที่จริงยิ่งกว่านั้นอีกเพียงแต่ว่าเรื่องจิตใจนี้ละเอียดอ่อนมากคนทั่วไปมองถึงได้ยากแต่ดูตัวอย่างแค่ง่ายๆเอารายที่หนักหน่อยคนแม้ที่มีร่างกายแสนจะแข็งแรงแต่มีเรื่องทุกข์หนักคับแค้นใจยิ่งหนัก ปรากฏว่าการมามิสวัตถุไม่ว่ามากมายเหลือล้นแค่ไหนก็ทำให้เขามีความสุขไม่ได้แต่ตรงข้ามผู้ที่มีจิตใจโล่งโปร่งเบิกบานผ่องใสสมบูรณ์แค่อยู่กับหญ้ากับดินไม่มีอะไรก็มีความสุขได้จริงๆก่อนผ่านไปขอตอบข้อที่ถามทิ้งไว้นิดเดียวว่าใครหนอคือบุคคลที่เสวยสุขครบทั้งสามอย่าง คือทั้งสุขสนองตันหาสุขสนองฉันทะและสุขไม่ต้องสนองคำตอบคือบุคคลโสดาบัน